วันนี้เราจะมาพูดกันถึงสิ่งที่เป็นความจริงของชีวิตที่ไม่ค่อยมีคนอยากจะรับรู้หรืออยากจะได้ยินมากเท่าไหร่ก็คือเรื่องการฝึกใจเพื่อให้กล้าเผชิญกับความตา่างปกติเวลา เราไปวัดเราไปทำบุญเราก็อยากจะให้พระให้พรให้มีอายุวันน่สุขลัทรบางคนก็อยากจะให้พระให้พรให้รวยรวยๆวยนะคืออยากจะได้ฟังนะสิ่งดีๆที่มันทำให้จิตใจมีความสุขทาให้มีความหวังกับชีวิต แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างหนึ่งที่เราควรจะฟังเปิดใจรับรู้นะเวลาเราไปวัดหรือฟังธรรมนะก็คือรับรู้ถึงเรื่องราวถึงความจริงของชีวิ ต, ตที่ไม่มีทางคนืน ใช่เลื่องความแก่ความเจ็บความตายความเสียเสียนพัดพลาเนี่เป็นธรรมด า, าชีวิตให้เราเลเราไปวัดหรือว่าไปฟังธรรมเนี่ยอย่าหวังแต่เทียงว่ามีสิ่งช่วยป้อบประโลมใจ ถ้าเราไปวัดเนี่ยเพื่อไปรับฟังสิ่งที่ปลอบประโลมใจแค่นั้นเนี่ยมันถือว่าเราได้ประโยชน์จากศาสนาโดยเพราะจากพุ่ศาสนานม่น้อยเกินไปเมื่อเราเมื่อเราคิดจะเข้าห า, าธรรมะหรือว่าไปวัดเนี่ยนะก็ควรจะได้ประโยชน์มากกว่านั้นก็คือ การที่เราได้เรียนระู้ถึงความจริงของชีวิตโดยเพราะความแก่ความเจ็บนะความพลาดพลาดสูญเสียและที่สุดคือความตายทำไมนะถึงเราควรจะเปิดใจรับรู้สิ่งนี้เพราะมันคือความจริงที่เราหนีไม่พ้นะไม่ว่าจะร่ำรวย ไม่ว่าจะยิ่งใหญ่มีอำนาแค่ไหนเราก็หนีวความแก่ความเจ็บความพัดพลาและความตายมีคนเจอเพราะความตายเนี่ยเป็นสิ่งที่จริงที่มูจริงสิแต่เราก็ก็จะไม่อยากจะฟังไม่อยากจะรับรู้ เพราะเราคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เลวร้ายเหตุการณ์ทั้งหลายแหล่ในชิวนคนเราเนี่ยที่มันแย่ๆเนี่ยมันคงไม่มีอะไรที่เลวร้ายมากเท่าความตายของเราเองหลายคนเนี่ยเรียกว่าคนส่วนใหญ่ก็ได้นะพร้อมที่จะสูญเสียอะไรก็ได้ แต่อย่าให้สูญเสียชีวิตหรือพร้อมที่จะสูญเสียอะไรก็ได้เพียงเพื่อให้มีชีวิตยอยู่รอดธรรมดาความทุกข์ทั้งหลายเนี่ยนะมันไม่มีความทุกข์อะไรที่จะเร็วร้ายตลอดความตายเราสูญเสียเท่าไหร่มันก็ไม่เคยสูญเสียหนักเท่ากับเวลาเร า, าสิ้นลม ความสูญเสียทั้งหลายที่เราผ่านมาในชีวิตเนี่ยมันเล็กน้อยมากเมื่อเทียบกับความสูญเสียเมื่อเราต้องตายจากโลกนี้ไปคนที่ถูกไฟไหม้บ้านนะหรือว่าล้มละลายถูกยึดทรัพย์สินเนี่ยโอ้สูญเสียหนักแต่เราจะมีพ่อมีแม่เลยมีลูก เล ย, ย, ยมีญาติมิตรเราจะมีวิชาความรู้และที่สมัครคืนเราอย่างมีลมหายใจแต่ถ้าเกิดเราตายเมื่อไหร่เนี่ยมีแค่ไหนมีเท่าไรก็หมดมีร้อยล้านก็หมดมีบ้านก็หมดมีที่ดินก็หมด ลูกหลานพ่อแม่ก็สูญเสียไปเช่นเดียวกันในยางที่เราลาจากโลกนี้ไปพร้ะในบรรดาความสูญเสียทั้งหลายเนี่ยนะมันไม่มีอะไรที่จะนักเท่ากับนะความตายเวลาเราสวนมนทำวัดเช้าเนี่ยมันจะมีประโยชน์บอกว่า ความพัดพลาดจากสิ่งที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ความประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจนะก็เป็นทุกข์ในชีวิตที่ผ่านมาของเราเนี่ยก็ต้องเจอไปแล้ะสองอย่างเนี่ยพัดพราดจากสิ่งที่รักที่พอใจประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจแต่มันก็ไม่มีอะไรนะที่จะหนักหนาสาหัสเทความต่าง นี่นจเรียกว่าความตายเป็นตัวข้อของความทุกข์หรือตัวแม่ของความทุกข์ก็ได้เพราะ่างุนี้นะคนเนี่ยส่วนใหญ่จริงไม่ค่อยไม่ไม่เพีแต่ไม่อยากเผชิญกับความตายเท่านั้นแต่ว่าไม่อยากคิดถึงด้วยไม่อยากนึกถึงไม่อยากพูดถึงและกระทั่งคาว่าความตายเนี่ยเดีย๋ยวนี้เราก็ไม่ค่อยอยากจะพูดคำนี้เท่าไหร่ เราจะเลี่ยงไปใช้คำอื่นเขาสิ้นลมแล้วเขาจากไปแล้วนะเขาไม่อยู่แล้วเขาไปสวรรค์แล้วนะเราจะเลี่ยงนะที่จะพูดคำว่าความตายจะไปใช้คำอื่นแทนมันมีคำที่เราใช้เพื่อแทนคำว่าความตายเนี่ยเขาไม่เคยมีคนรวบรวมนะ มีต้อง50คำทำไมเราไม่กล้าที่จะพูดนม้กระทั่งคำว่าความตายแต่เราเรียกไปใช้คำอื่นเพราะเรากลัวมากเลยกลัวความตายเราเที่ยวความตายเป็นตั บ, บมองคลถ้าหากเราพูดถึงแต่ยิ่งเราเนี่ยไม่กล้ากระชิอกับความตายมากเท่าไหร่เนี่ยความตายยิ่ง น่ากัวมากเท่านั้นความตายยิ่งมามีทิพล่อข้องงานเรามากเท่านั้นในเมื่อความตายเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นกับเราอย่างแน่นอนป่วยการที่เราจะหันหลังให้มันไร้ประโยชน์ถ้าว่าเราจะไม่นึกถึงมันอะไรก็ตามที่เราต้องเจอ จะดีกว่าจะฉลาด ก, กว่าถ้าว่าเราพยายามที่จะเตรียมตัวเตรียมพร้อมที่จ ะ, ะเผชิญกับมันเพราะถ้าเราทำตัวเหมือนกับตกระ้อจกเทศตกจิ้งกเทศเนี่ ย, เ, ยเวลามันเจอสัตว์ร้ายเจอเสือสิงโตไล่ล่าเนี่ ย, ย, ยบางทีมันไม่วิ่งหนีนะ แต่เวลาหัวเนี่ยสุกเข้าไปในทรายมันทงางั้นทำไมเพื่อมันจะได้หลอกตัวเองว่าฉันปลอดภัยแล้วการที่มันหัวสุกไปในทรายก็ทําให้มันไม่เห็นจริงโตที่กําลังจะค เ, เมือเขามัํามันนะแต่วิธีนี้เป็นวิธีที่ดีหรือเปล่านะการที่เราทําตัวไม่รับรู้เลา ว, ว่าเราต้องตายเนี่ยมันไม่ใช่เป็นวิธีการที่ดีเลย หลายคนไม่ยอมรับว่าเราต้องตายพยายามไม่พูดพยายาไม่ลึกถึงคนจํานวนไม่น้อยเนี่ยทุกวันนี้อยู่มีชีวิต อ, อยู่เหมือนคนลืมตายคือลืมไปเลยแม้ว่าตัวจะต้อง ต, ต, ตายพิธีที่ทําให้ตัวเงินลืมตายนะก็คือว่าทําตัวให้หุ่นทําใจงใ่ให้ว่ามันจะได้ไม่ลึกถึงความตายพอไม่ลึกถึงความตายแล้วก็สึกสบายจต่เออฉันไม่ตาย หรือว่าทางเนี่ยจะอยู่นะตลอดชั่วฟ้าติสลนะคนทุกวันนี้เนี่ยนะอย่าไม่รับรู้เรื่องความตายที่เกิดกับตัวในวันข้างหน้าก็เลยเป็นเหมือ็นกบนกทำตัวเป็นนกกระจอกเทศ น, นะที่เอาหัวเ น, นี่ยซุกเข้าไปในทรายแล้วก็ไม่รับรู้อละว่ามันมีศัตรูมันมีอันตรายนยะใกล้ตัว เราพวกเรานี่ก็ถือว่าผู้ที่เม่เหมืองใครนะก็คือว่าเราไม่หนีนะเราไม่หันหลังให้กับความตายเราพยายามที่จะเปิดใจรับรู้รับฟังนะวิธีเดียวที่จะเราจะรับมือความตายได้เนี่ยก็นะคือเราต้องเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อม คือเพราะการเตรียมใจเพราะว่าถ้าเราเตรียมใจดีเนี่ยเราจะสามารถเผชิญหน้ากับความตายได้ด้วยใจที่สงบและเรายังสามารถที่จะเป็นมิกับความตายได้ด้วยสำคัญมากนะการเป็นมิจฉาความตายเนี่ย ทำไเราต้องเป็เมียความตายเพราะถ้าเราไม่เป็เมียความตายความตายก็จะกลายเป็นศัตรูกับเราแต่ถ้าเราเริ่มที่จะทําใจให้เป็นนีสกับความตายความตายก็จะกลายมาเป็นนิกับเราอยากให้ความตายเป็นศัตรูกับเราหรืออยากให้ความตายเป็นนิกับเราถ้าเราอยากให้ความตายเป็นนิกับเราเราก็ต้องเริ่มเติดจากที่เราเป็นนิกับความตาย มันก็เหมือนกับการที่เราถ้าว่าเราเป็นมิตรกั บ, พบนนเพื่อนบ้านตอนมีความเฟื้อเฟื้อมีความเกืดแผ่กับเพื่อนบ้านับเพื่อนบ้านก็จะเป็นมิตรกับเราแต่ถ้าเราไม่เป็นมิตรกับเพื่อนบ้านเรากลัวหรือเราเกลียดเขาไม่ช้าก็าเร็วนะเพื่อนบ้านก็จะกลายเป็นศัต ร, ร, รูกับเราเพราะว่าจะโกรธก็จะเกลียดเราเหมือนกัน ที่จริงเนี่ยความตายเนี่ยถ้าเรารู้จักดีๆเนี่ยถ้าเรารู้จักความตายดีเนี่ยเป็นเพราความตายเนี่ยนะมีประโยชน์หลายอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการเตรียมใจอย่างหนึ่งนะของเราเพื่อเทียมเผื่อความตายก็คือการทําความรู้จักกับความตาย ยิ่งเรารู้จักความตายดีมากเท่าไหร่เนี่ยเราจะกลัวตายน้อยลงเราจะเห็นความตายเป็นศัตรูน้อยลงคนตะวันนี้ไม่รู้จักความตายก็เลยเห็นความตายเป็นศัตรูเห็นความตายเป็นสิ่งที่น่ากลัวและเป็นเพราะไม่รู้จักความตายเนี่ยเขาจึงจึง มีความกลัวตายมากแต่ถ้าเราได้รู้จักความตายมากเท่าไหร่เนี่ยเราไม่เพียงแต่จะเห็นจะพบว่าความตายไม่น่ากลัวเท่านั้นแต่เรายังจะเห็นได้ตระหนักชันเดียว่าไอ้สิ่งที่น่ากลัวความตายคือความกลัวตายตความตายไม่น่ากลัวเท่าความกลัวตาย เส้นตายตรงนี้เลยนะความตายไม่น่ากลัวเท่าความกลัวตายวันนีศศ้ภาษิตจีนบอกว่าคนกล้าตายครั้งเดียวคนขาดตายหลายครั้งคนกล้าเนี่ยนะเขาตายครั้งเดียวคือว่าพอหัวใจหยุดเต้นหมดลมก็ตายแต่คนที่ขาดเนี่ยนะคนที่กลัวตายเนี่ย ก็จะตายหลายครับเช่นพอเขาพวกเขาเดินเป็นมะเร็งอาจจะเป็นมะเร็งแรกที่สองไดที่สามเขาจะหมดเยอ่อหมดแรงแเขาจะกินไม่ได้นอนไม่หลับเขาจะไม่มีชีวิตชีวาในพราะเช่นนั้นเนี่ยเขาตายไปแล้วมียังมีลมหายใจอยู่ จะอยู่เหมือนคนตายหรือว่าตายทั้งเป็นคิดถึงความตายทีไรโอ้โหไม่มีเรื่องไม่มีรมมรแรงหมดอะไรใจอยากไม่มีชีวิตชีวาไม่มรู้ว่าตายหรือแต่ยังมีลมหายใจแล้ววันหนึงเนี่ยนะจะประสบกับสภาวะเช่นนั้นเนี่ยอีกครั้งตายไม่รู้อีกครั้งในวันหนึ่ ง, นะา ว, า ง, ง, ว, งวันหนึ่งคิดถึงความตายเมื่อไหร่ก็ห่อเหี่ยวซึ่อมเรียวซึ่อมแรง ไม่มีชีชวะเนี้รักเนืน้ตายเสื้อผ้าทนางาผมไม่สนใจนี่เป็นเพราะว่าเขากลัวตายแต่ถ้าคนที่ไม่กลัวตายเนี่ยเขาก็สามารถจะอยู่มีความสุขได้แม้ว่าจะเป็นมะเร็งแม้ว่าจะเป็นโรคที่รักษาไม่หาย ตายวายถ้าเขาเข้าใจความตายดีพอเนี่ยเขาจะไม่กลัวตายถึงเวลาตายเขาก็ตายอย่าสงบมีแม่ชีคนหนึ่งน ะ, ะเดิมเนี่ยก็เป็นเป็นภ ร, รยานะเสนาบดีถ้าไม่เสนาบดีเป็นภ ร, รยาของของขุนนางท่านหนึ่งนะ คือคุณยิ่งใหญ่กระโรนธรรมศาสตร์เด็กคนทีสนใจธรรมะมากสมัยที่เป็เรารว่าพออายุห้าสิบก็ตวจเป็นหชี 50. แล้วก็ตั้งใจปฏิบัติบ้านปาชีวิตเนี่ยเป็ น, เ ป, นเป็นเบาหวานเป็นเบาหวานร่างการก็สูดลงไปเรื่อยๆหนักหนักไปเรื่อยในวรนสุดท้ายชีวิตเนี่ยนะวันเทศท้ายเนี่ยหมอก็มาตรวจ แล้วก็บอกก็บอกกับแม่ชีท่านนี้ว่ายังอยู่ได้อีกนานแม่ชีท่านก็บอกหมอว่าหมอไม่ต้องมาปลอบฉันแม่ชีรู้ว่าตัวเนี่ยอากาศเนี่ยแย่ลบไปรเรื่อยๆผมอยู่ได้อีกนานวันสุดท้ายของแม่ชีเนี่ยนะรู้แล้วแน่ว่าผมไม่ไห ว, วก็ให้เด็กนี่ไปนิมนต์พระที่คุ้เเคยพอพระท่านมาแม่ชีก็ นิมนต์ให้พระสวดบทนิมนตนั้นนะเพราะวาแม่ชีเนี่ยนะรู้เรื่องนะท่องจําบทสวดมนต์พระสูตรใหญ่ๆยาวๆได้ไม่าจะเป็นธรรมจักรนะปฏิจจักรหรือว่าอนัตตลัคนาสูตรนะแต่ว่าก็อยากจะนิมนตให้พระสูตร<ม>พอพระสวดเสร็จก็สนทนารามมาสักพัสนทนารามเสร็จแม่ชีก็บอกพระว่า ดิฉันขอทิ้งสังขารไว้ที่นี่แ ล, ล้วกราบพระสามทีกราบเสร็จนะพวกสามนะก็ฟุบลงตรงนั้นหมดลมนะพระยาง ถ, งถึงอดทานขึ้นมาเลยว่านี่ตายแล้วจริงๆเลยเนี่ยถามว่าแม่ชีเนี่ยนะมีทุกขเวทนานหะมแต่มว่ามี แล้วรู้ว่าตัว่าตายไห่รู้แต่ว่าไม่มีความสงบสถานเลยนะยังมีเรื่องมีแรงและมีความรู้สึกตัวจนกระทั่งวิหาที่สุดท้ายกว่าได้คือกลางพาเสร็จไปคือคนที่เขาไปปวดตายเนี่ยนะการตายเขาเป็นการตายที่มดงานมม เราเห็นเลยนะว่าสําหรับคนที่ไม่กลัวตายเนี่ย<ม>การตายของเขาจะเป็นการตายที่สงบไม่มีอะไรที่น่ากลัวเลยใช่ไหมเออบอก ว, ว่าความตายเนี่ยไม่น่ากลัวเท่าความกลัวตายคนที่ไม่กลัวตายเนี่ยนะเขาตายสงบแต่คนที่กลัวตายนี่นะ แม้เขาจะหากก่างกลจากความตายแต่เขาก็เหมือนกับตายวันละไม่รู้กี่ครั้งอยู่อย่างไรชีวิตชีวาเราต้องให้เราต้อ ง, ต, องต้องแยกให้ดีนะว่าจริงๆแล้วความตายไม่น่ากลัวสิ่งที่น่ากลัวความกลัวตายแต้วทำไมถึงกลัวตายเพราะไม่รู้จักความตายดีพอ มีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งนะชื่อมารีคูรีนะคนที่เรียนวิทยาศาสตร์นี่ก็จะรู้ว่าเนี่ยเป็นปีที่เก่งมากได้รางวัลโนเบลสองครั้งสองครั้งเลยนะจะได้ครั้งอนึก็ยากอย่างนะี้เธอได้สองครั้งถ้าเธอจะพูดว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรที่น่ากลัวมีแต่สิ่งที่ต้องทําความเข้าใจถ้าเข้าใจแล้วก็หายกลัว อันนี้มันก็ตรงกับคติทางพุทธศาสนานะก็คือว่าความกลัว เ, เกิดจากความหล น, นเกิดจากอวิชชาเกิดจากความไม่รู้เด็กกลวความมืดเพราะเด็กไม่รู้จักความมืดหลายคนกลัวป่าป่าที่เปลี่ยวเพราะรู้จักป่าแต่คนรู้จักป่านี่ก็ไม่กลัวป่าเลยเขาสามารถจะอยู่ในป่าได้เป็นอาทิตย์อาทิตยนะจะมีความสุขตัว คนที่รู้จักความมืดดีพอก็ไม่กลัวความมืดหลายคนกลัวุูกแกเพราะอะไรรู้จักลูกแก่นะลู ก, กุกแกดีพอจะไม่กลัวลูกแกนะ่จะรู้ว่าลูกแก่นี่มันน่ารักมากนะเอามือลูกหัวมนันี่โอ้ยน่ารักแต่เพราะไม่รู้จักก็กลัวนะความกลัวเกิดจาความไม่รู้ เราปวตายเพราะเราไม่รู้จักความตายแล้วทำไ ม, ไม่รู้จักความตายเพราะเราไม่อยากรู้จักใจไม่อยารศึกษาถ้าเราทำความเข้าใจหรือศึกษาเรื่องความตายแต่เพรความตายไม่ใช่แค่วิปริจริงอยู่ความตายเป็นวิปริตแต่เป็นวิปริทางกายแต่สามารถจะเป็นโอกาสทางจิตใจหรือว่าทางวิญญาณได้ มันเป็นโอกาสที่จิตใจเราจะได้พัฒนาอาจารย์ผู้ท่าบอกว่าตอนที่ใกล้ตายเนี่ยมันเป็นนาทีทองชีวิตเป็นนาทีทองเพราะว่าเป็นโอกาสที่จะหลุด้นเรียกภาษาสมัยไหมว่าหน้าตายเป็โอกาสจะเปิดกวา้างขึ้นเมื่อเราเมื่อเราใกล้จะตายหรือเมื่อความตายเกิดขึ้นกับเรา ในสายพุทธการเนี่ยจะมีพระแล้วก็ค า, ารวะหลายท่านบรรลุธรรมท่านในระดับโสดาบันตัวท่านถึงระดับอรหันต์เนี่ยตอนที่กำลังจะตายไม่ว่าจะตายเพราะป่วยหนักอย่างพระติดสะซึ่งมีแผลคุกคลองเต็มตัวส่งกลิ่นเน่าเหม็นหรือว่านาสามาวดีที่ถูกไฟไหม้ไฟค่อกหรือบางท่านเนี่ยถูกเสือกัดตาย ถ้ือท่านเหล่านี้เนี่ยนะบรรลุธรรมตอนที่กำลังจะตายเพราะว่าทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้ท่านได้เห็นธรรมันทำให้ท่านได้เห็นแจ้งในขันน้วใจลักหรืออนิจจังทุกขารักตาช่วงเวลาที่เราสุขสบายเนี่ยเราไม่ค่อยเห็นใตรักนะั้นไม่ค่อยเห็นอนิจจังทุกขารักตา ทีมันแสดงตัวให้เราลตลอดเวลาแต่เราเพลินกัความสุขเราเลยไม่รับรู้แต่ตอนที่เราป่วยเนี่นะยนะแล้วป่วยสังขารที่มันเห็นชัดเลยนะว่าสังขารนี่มันเป็นทุกข์มากเลยมันไม่น่ายึดถือยึดติดถึงมานเลยนั่นคือโมเมนต์น่นคือขณะที่จิตเนี่ยพร้อมจะปล่อยวางเพราะรู้ว่าสังขารเป็นทุกข์มากไอ้ที่ยึดติดก็ยังเห็นยังยึดหรือ ย, ยังเชื่อว่าสังขารมีความสุขก็เลยยึดเอาไว้ เหมือนกันถ้าเกิดว่าเราเราพบว่าสิ่งที่เราถือไว้ในมือเนี่ยมันไม่ใช่ทองแต่มันคือถานนะมันคือฐานพอรู้เป็นฐานนี่วางเลยปล่อยทันทีหรือเปลี่ยนมันก็ว่าเราสารแบบขีดสมบัตินะเพราะว่าเชื่อว่าเข้าใจว่าข้างไหนเนี่ยมีเป็นคำบัตนะิเป็นเงินเป็นทองมันเลย แต่เมื่อเราพบความจริงว่าข้างในแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เ ง, งินางบาทมันเป็นแบงก์กเต็กแบงก์กาโม่ไม่ใชแบงก์กาโม่ะเราทิ้งทันทีเลยเราไม่แบกต่อไปแนละ้วการปล่อยวางเกิดขึ้นเมื่อเราเห็นความจริงว่าไอ้ที่เรายึดถือเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยมันเป็นทุกข์มันเป็นทานมันไม่ใช่ทองในภาวะที่เราป่วยหนักเนี่ยนะถ้าเรามีสติเราจะเห็น ว่าสังขารเป็นไม่น่ายึดถือปล่อยทันทีและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับหลายท่านที่ตามาได้เอ่ยเอยนามมาท่านปน่วยนามแท่านท่านถูกไฟครอบและกระทั่งบางท่านเนี่ยนะด้วยความหลงฆ่าตัวตายเอามีดเชือดคอนะ แล้วมาได้สติเห็นวนะ่าโอ้สังขารเป็นทุกข์มากขณะที่มีทุกขเวทนาแรงกล้าเห็นเลยสังขารเป็นทุกขบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เลยนะมีหลายท่านบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์หลังจากฆ่าตัวตายใจจะได้เข้าใจว่าเพราะฆ่าตัวตายถึงเป็นพระอรหันต์นะไม่ใช่ไอตอนฆ่าตัวตายเนี่ยหลงผิดนะแต่ว่าตอนที่จะตายเนี่ย ทุกวัยธนาแรงกล้าเห็นเลยได้สติเห็นว่าสำคาญเป็นทุกจิตมันปล่อยจิตมันวางและนั่นแหละทําให้บรรลุธรรมเป็นพระธรรมบางท่านเนี่ยก็ไม่ได้ถึงทุกวัยธนามากนะแต่ว่าก็มีทุทกวัยธนาพอสมควรคนจะตายเนี่ยมันทุกวัยธนาเท่านั้นแ ล, และพอพรุทธเจ้านี่มันนามันนาให้ให้ปล่อยวาง ให้เห็นสำคัญว่าเป็นใจหลักอย่างเช่นทีเขาอุบาสุจะ ต, ต, ตายแล้วเนี่ยนะแต่ว่าจิสมมตสงบนะแล้วมีผู้เจ้ามีมานำมาพูดนํานําจิตนะทำสองอย่างหนึ่งให้เรารู้ถึงพระตนตรัยเราเรารู้ถึงความดีที่ได้ทําและสอนพิจรารณาสังขารเป็นใจหลักอย่างเช่เรามาบอกคนตึ้งใกล้ตายเนี่ย มันเห็นชัดมากถ้ามีสตินะมันจะเห็นชัดเลยว่าสังขารมันไม่น่ายึดถือเลยพอที่เ ข, เขาวาสุตายพนระเจ้าก็ตรัสว่าที่เขาวาสุเป็นพระนาคามีนะไอตอนตอนสุขสบายนี่ยังเป็นปุถุชนนะแต่มาเป็นพระนาคามีก็ตอนตายเนี่ยครูบาอาจารย์บอกว่าตอนที่จะตายมันเป็นนาทีทอง ก็อย่าประชาสมพันธคือหน้ากาของโอกาสได้เปิดกวา้างคือโอกาสอะไรโอกาสบฏ ร, รุปธรรมโอกาสที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์และเนี่ยจึงบอกว่าความตายเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเวลวร้ายมันก็มีข้อดีมันเป็นโอกาสแห่งการประรุปธรรมแห่งการหลุดพ้นจากความทุกข์ได้แต่ถึงแม้เราเนี่ยอาจจะไม่ไม่มีความปรารถนาหรือไม่มีจิตที่จะน้อมไปทางนั้น หลายคนก็ไม่ได้คิดจะบรรลุธรรมแล้วคนก็ไม่คิดจะเป็นพระอรหันต์หรือว่ามันก็จะฟังทุกแต่ว่าหลายคนก็ได้พบว่ามันมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับชีวิตของตัวตอนที่ใกล้จะตายเช่นในพวบความสงบเพื่อตอมาเนี่ยเป็นเป็นมะเร็งคือเป็นมะเร็งเต้านมเป็นมา17ปีเธอก็เล่าว่าตอนช่วงในช่วงชีวิตเนี่ยคือสองปีสุดท้ายเนี่ย เป็นช่วที่เธอมีความสงบมากจิตมันสงบมากอย่านที่สังขารเนี่ยมันแยกไปทุกทีเพราะว่าความตายเนี่ยมันมามันมาเตือนมาสอนให้เธอปล่อยวางปล่อยวางไม่ใช่แค่เรื่องทรัพย์สินเธอก็ไม่ได้เป็นคนโลกอะไรอยู่แนละ้วแต่ปล่อยวาเ ง, งววาเรื่องอื่นด้วยปล่อยวางเรื่องอัดตามตัวตนปล่อยวางเรื่องความโกรธมีอะไรที่มันเคยค้างคางใจก็ปล่อย ก็รู้ว่าจะตายแล้วจะจิติที่ไปทำไมแล้วเธอก็พบว่าช่วงสองปสุดท้ายเนเป็นช่วงที่เธอมีความสุขมากที่สุดสุขทีท่มีความสงบ น, นมากกว่าตอนที่ยังไม่ป่วยทีอันนี้คือคือคือโอกาสที่เราจะสามารถพบทางการวิกฤตวิกฤตางที่มี้ความเจ็บป่ปวยหลายคนได้พบว่า เมื่อตัวเองเนี่ยใกล้จะตายเนี่ยคนที่เคยเหืนห่างหมางมือก็กลับมาสามีกลับมาคืนดีกับภรรยาลูกกลับมาคืนดีกลับมาหาพ่อกลับมาหาแม่เพื่อนที่เคยหันหลังให้กันก็กลับมาก่อนด้วยความรักกลับมาคืนดีกัน ละความตายเนี่ยหรือภาวะที่ใกล้ตายเนี่ยมันสามารถจะก่อให้เกิดสิ่งดีๆกับเราได้หรือกับคนที่เราหลักได้หลายคนเนี่ยพบ ว, ว่าเมื่อตอนที่แม่ป่วยหนักในช่วงปีหรือสองปีสุดท้ายของชีวิตแม่เนี่ยเธอได้ทำสิ่งที่มีค่าที่สุด เธได้ทำสิ่งที่มีความหมายที่สุดในชีวิตของเธอนั่นก็คือการที่ได้ดูแลแม่การที่ได้กอดแม่การที่ได้บอกรักแม่ทุกคืนะได้ทำอาหารให้แม่กินได้ดูได้เล่าได้เล่าย้อนระ ล, ลึกถึงความสุขดีๆที่เคยมีประสบการณ์ร่วมกันมันเป็นช่วงแ่งความสุขทั้งที่ทั้งที่ฝ่ายคนหนึ่งเนี่ยกำลังจะตายแต่เพราะ รู้ว่าคนหนึ่งเนี่ยกาลังจะอยู่ได้ไม่นานเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยพร้อมที่จะเอาสิ่งดีๆที่เรามีอยู่มาแข่งขันกับกับคนที่เรามันทําให้ความตายเมื่อเมื่อความตายเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เป็นความตายที่ ม, มั่นนานแต่ถ้าเรานึกภาพนะว่าถ้าถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยหรือทั้งสองฝ่ายเช่นคนป่วยและคนที่ดูแลเนี่ย ต่างหวาดกลัวและเกลียดความตายมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะเกิดความรู้สึกทุกข์มันจะความรู้สึกปฏิเสธผักสายไม่ยอมครับคนป่วยก็ทุกข์เพราะไม่ยอมรับกับความตายนคนดูแลก็ทุกข์เพราะเอาแต่เศร้าโศกเสียใจที่พ่อหรือแม่หรือคนรักกำลังจะตาย ลกเลยโอกาสปล่อยให้โอกาสทองหลุดลอยไปเพราะนึกถึงแต่ความตายที่จะเกิดขึน้นคนรักคนดูยังไม่ตายนะแต่เพราะกลัวตายเพราะยอมรับความตายไม่ได้เนะี่ยก็จึงจมอยู่ในความทุกข์วติตกกังวลแทนที่จะ ดูแลกันแทนที่จะมอบความรัยใกันแทนที่จะมีความสุดร่วมกันแทนที่จะทำสิ่งดีๆกันและกันในขณะที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยยังพูดคุยสื่อสารได้หลายคนหลายครอบครัวปล่าให้โอกาสทองนี้หลุด้อนไปเพราะไปกังวลไปยึดตกแต่เรื่องความตายเชื่อเกิดขึ้นกับตัวเองบ้างเชื่อเกิดขึ้นกับคนรักบ้างนันน่าเสียดายมาก ดังนั้นาเกิดว่าเราเริ่มต้นแต่การยอมรับความตายมันเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นจากขณะเดียวกันความตายเนี่ยเราก็มองเห็นว่ามันเป็นโอกาสที่เราทําสิ่งดีๆให้แก่กันและกันเป็นโอกาสที่เราจะลดทิฐิมานะนะไม่ว่าระหว่างสามีกับภรรยาไม่ว่าพ่อแม่กับลูกไม่ว่าเพื่อนกับเพื่อนเจ้าหน้ากับลูกน้องและเป็นโอกาสที่เราจะได้เทใจให้แก่กันและกันเปิดใจทําความดีให้แก่กัน มีความสุขร่วมกันมันจะเป็นช่วงเวลาที่วิเศษมากแต่เพี่ยงที่ตะมาต่อหลายคนหลายครอบครัวเนี่ยทิ้งโอกาสทองนี้ให้หลุดลอยไปเพราะเอาแต่วิตกกลัวกับความตายที่เกิดขึ้นกับตัวเองบ้างเกิดขึ้นกับพี่เพื่อนเรปล่อยให้โอกาสทองหลุดลอยไปเพราะเพราะความไม่ยอมรับเพราะการยอรับความตายแล้วตอเนี่ยนะ จำเป็นมากนะที่เราเนี่ยจะเรียนรู้ทำความเข้าใจกับความตายว่าความตายเนี่ยมันไม่ใช่วิกฤตฉะนั้นมาเป็นโอกาสด้วยมันสามารถจะเป็นโอกาสที่จะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับเราและกับคนที่เรามาและถ้าเรารู้จักความตายดีพอจะพบว่าอี่างที่ตมาบอกนะ ความตายไม่น่ากลัวเราสามารถจะตายอย่างสงบได้ความตายสงบเป็นสิทธิของทุกคนไม่ใช่ว่าจะเป็นสิ่งที่ผูกขาดกับเฉพาะคนที่เป็นพระเป็นนักบวชหรือว่าเป็นนักปฏิบัติธรรมไม่ว่าจะเป็นใครไกลวัดแค่ไหน อายุน้อยเพียงใดเจ็บป่วยด้วยโรคใดก็มีสิทตายสมงบถ้าเราไม่เรียนรู้เรื่องความตายจะไม่เห็นตรงนี้แล้วพอเราเห็นตรงนี้เนี่ยเราก็เลยกลัวตายเพราะเราเชื่อเมื่อถึงเวลาตายต้องทุรดทุรายอย่างเดียวไม่จริงไม่ใช่เราสามารถตายสมงบได้ถ้าเราเตรียมตัวเตรียมใจให้ดี เต็มตัวเต็ตียมใจอย่างไรนะก็เช่นหนึ่งยอมรับว่าความตายเป็นเรื่องธรรมดาสองยอมรับว่าความตายเนี่ยเป็นหน้าที่เร า, าทุกคนมีหน้าที่ที่ต้องตายถ้าเราไม่ยอมรับตรงนี้เนี่ยแล้วเราไม่ ไม่ทาหน้าที่ตายให้ดีเนี่ยสิทธิที่จะตายสมบุกก็จะไม่สามารถเกิดขึ้นกับเราได้สิทธิกับหน้าที่เป็นของคู่กันนะสิทธิที่จะตายสมบุกจะเป็นของเราได้ đó, นน ก, กดนะด็ต่อเมื่อเราทําหน้าที่อันนี้เราคุกคนทราบดีนะเราจะมีสิทธิได้โบนัสก็ต่อเมื่อเราทําหน้าที่เราทําหน้าที่ที่เราได้ละมอบหมาอยอย่า ง, อ ย, างอย่างใส่ใจ คนที่ไม่สนใจทําหน้าที่ไม่พยายาแข็งและรับผิดชอบในหน้าที่ก็ไม่มีสิทธิได้รับโบนัสใช่ไหมเรามีสิทธิสิทธิ์กับหน้าที่ดุริ奥คู่กันสิทธิ์ทีตายสงบเกิดขึ้นได้เมื่อเราทําหน้าที่ทําหน้าที่ต่อความตายเช่นเตรียมตัวตายเสมอและเริ่มต้นจากการที่เราเห็นว่าความตายเป็นหน้าที่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราต้องดิ้นเคริ่องเลี่เลี่ยงคนทุกวันนี้เนี่ยนะพยายาม ไม่ยอมรับความตายเป็นหน้าที่ได้ดังนั้ น, นเนี่ยจรงปฏิเสธหน้าที่ที่หน้าที่ในการเตรียมตัวตายยอมรับก่อนว่าความตายเป็นหน้าที่การที่โลกเนี่ยนะการที่ธรรมชาติมันดำเนินไปได้ตามคำลองของมัน เพราะว่าสัพพสัตสัพพชีวิตเมื่อถึงเวลาเขาก็ตายเป็นเพราะเขาตายเนี่ยเราจะมีอาหารอาหารที่เรากินเพื่อเราเลี้ยงชีพเนี่ยมันก็มาจากสัสตว์หรือสิง่งมีชีวิตที่เขาตายให้กับเราไม่อาจจะเป็นสัตว์หรือว่าผักหรือว่ายญ้าต้นไม้ในป่าเนี่ยที่จเจริญงอกงามเพราะว่าอะเพราะว่า ชีวิตอื่นสัตว์อื่นใ น, นีก็ล้มตายกลายเป็นปุ๋ยนะฮะแล้วก็มีเห็ดมีรานะมาช่วยย่อยสลายให้กลายเป็นปุ๋ยพ่อแม่มีหน้าที่ตายเพื่อให้ลูกได้เติบใหญ่ขึ้นมาได้รับสืบทอดมรดกแทนแทนพ่อแม่ถ้าพ่อแม่ไม่ตายนี่ลูกจะมรดกจากไหนนะฮะเราตายเพื่อให้ คนรุ่นหลังเนี่ยได้มีโอกาสใช้ชีวิตใช้ทรัพยากรในโลกนี้เหมือนกับที่เราเคยใช้เหมือนกับที่เรามีโอกาสการที่เรามีชีวิตการที่เรามีสุขภาพดีเนี่ยทราบหรือเปล่าว่าเป็นเพราะว่าชีวิตน้อ ย, นอยในตัวเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเนื้อเยื่อไม่ว่าจะเป็นเซลลเนี่ยก็ยทําหน้าที่อย่าง ก็คือหน้าที่ตายในทุกวันนี้ในแต่ละวันเนี่ยมันมีเซลล์ในร่างกายเนี่ยตายประมาณห้าึงแสนล้านเซลล์มากนะครแต่มันน้อยเมื่อเทียบกับจำนวนเซลล์ในร่างกายที่บอกเรามีประมาณล้านล้านเซลล์เนี่ยตายไปห้าหึงแสนล้านเซลล์ก็ตายเพื่ออะไรตายเพื่อให้มีเซลเซล์ใหม่ได้เกิดขึ้น เป็นเซลล์ที่ดีกว่าเป็นเซลล์ที่ที่ปกติกว่านะถ้าหากว่าเซลล์ในร่างกายเราไม่ตายเนี่ยเราเดืดร้อนนะฮะในวงการแพทย์เนี่ยเขาจะเรียกเซลล์ชนิดหนึ่งว่าเซลล์อามาตะตั้งสมมติฐานว่าเป็นเซลล์อามาตะที่เซลล์ไม่ตายทราบว่าเซลล์ชนิดนั้นคืออะไรคือมาเร็ง เซลล์มะเร็งคือเซลล์ที่ไม่ตามันจะแบ่งตัวไปเรื่อยๆแบ่งตัวไปเรื่อยๆแบ่งตัวไปเรื่อยๆ แ, แม้เราตายไปแล้วเนี่ยแต่ถ้าเซลล์มะเร็งในร่างกายเราเนี่ยนะเอาไปเลี้ยงนะมันก็จะอยู่ไปได้เรื่อยๆในอเมริกาในประมาณ60ปีที่แล้วเนี่ยมีการเอาเซลล์จากผู้หญิงคนหนึง่งเป็นผนะิวคล้ำนะชื่อเฮเลนต้าเฮเลนต้าเล็กเธเป็นมะเร็งบนลูก แลว เ, เร็งมะเขือนี้นะผ่านไปหกสิบเจ็สิบปีแล้วเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังก็ยังไม่ตานยนีมันก็ยังขยายตัวแล้วก็คนก็เอาไปขอขอปันไปเพาะนีื่เพื่อใช้ในการทดลองทางการแพทย์ในการทดลองหายยาเพื่อเพื่อรักษาโรคนาน า, น า, นานชนิดไม่ใช่เฉพาะมะเร็งเท่านั้นนะมีคนคํานวณ ว, ว่าเซลล์ของ เฮเลนตาลักชุดตอหลังลเขตั้งชื่อว่าชื่อเซลล์นี้ว่าเขาชื่อว่าเซลล์ลายว่าฮีล่าพีล่าก็ย่อมาจากาชื่ออเธอเพเลนเฮเลกตาลักเป็นเซลเเซล์เป็นเซลล์ลายที่มีชื่อมากในวงการแพทย์ทั่วโลกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรามานาจุลานะมหิหรือว่าขันแก่นเนีต้องมีเซลล์ของเธอเนี่ยก็ใช้ในการทดลองเขามีการพบว่าเซลล์อเธอทุกวันนี้ในทุยแพทย์ใหญ่ั้นรวมถ้ารวมกันแล้วนะ ตัโลกกลอยเวลาหกสิปีที่ผ่านมานะมันหนักเท่าไหร่รู้ไหห้าสิบล้านตันห้าสิบตันนี่ก็เยอะแล้วนะพรอคนเราเนี่ยพก็ตัวเฮลิสต้าเนี่ยหนักห้าสิบกิโลนี่ห้าสิบล้านตันมันขยายไม่หมดมนะขยายเรื่อยๆมันไม่ตายนะดันั้นถ้าเซลล์ในร่างกายเราไม่ตายนะเราเดือดร้อนนะถ้าเซลล์ในร่างกายไม่ทําหน้าที่ตายนะ เราตายแทนนะแต่เพราะว่าเซลล์ในร่างกายเรามันทําหน้าที่อย่างเป็นหน้าที่ตายเราก็เลยอยู่รอดได้แต่สุดท้ายเราก็ต้องตายเพราะมันเป็นหน้าที่<ม>ถ้าเรารู้ว่าตระหนักว่าเป็นหน้าที่เราเป็นหน้าที่นนที่ต้องตายเราก็จะยอมรับความตายได้ไง่ายขึ้นการตายถ้าเราเมื่อเรายอมรับความตา ย, ยาการตายเราจะเป็นการตายดี เคยมีคนถามมาจากประมวลเพ่งจารและอาจารย์ที่อดอาจารย์ที่เชียงใหม่ว่าการตายดีิงๆอาจาย์นี่หมายความว่าอย่างไรอาจารย์ตอบได้ดีว่ากบอกว่ า, วาคือความเต็มใจและพอใจที่จะตายเต็มใจและพอใจที่จะตายเต็มใจที่จะตายเพราะอะไร อาจารย์ไม่ได้ขยายความแต่อัอตมาเคื่อเหตุผลหนึ่งคือเพราะว่ามันถึงเวลาที่เราต้องตายหรือว่าการตายเป็นหน้าที่ของเราเมื่อเรารู้ความตายเป็นหน้าที่ถึงเวลาเราก็เต็มใจตายและพอใจที่จะตายพอใจเพราะอะไรเพราะว่าชีวิตที่ผ่านมาของเราเนี่ยมันได้ทําทําดีแล้วจะได้ใช้ชีวิตมีคุณค่าแล้วเมื่อเรามีความพอใจเมื่อเรามีความ เราได้ใช้ช่วงเวานี้คุณค่าถึงเวลาที่ตายแล้วก็พอใจที่จะตายเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากการการถ้าเราเรียนรู้เรื่องความตายดีพอเนี่ยเราแล้ว ร, รู้ว่าการตายสงบเป็นไปได้เป็นสิทธิของเราเนี่ยเราก็จะเห็นความสําคันการเตรียมตัวตาย และการเตรียมตัวตายอันดีที่ช่วยได้คือการที่เราบันทําความดีการมันทำความดีเนี่ยนะมันทำให้เราเนี่ยถึงเวลาต้องตายเนี่ยเราจะกลัวตายน้อยลงหลายคนเนี่ยไม่ยอมตายพยายามติดงลง่นกับเสือกระสนเพราะเขากลัวว่าเขาก็ตายแล้วก็จะไปะนรกต่อมาเนี่ยอบรมเกี่ยวเรื่อง การเตรียมคนตายสงบเนี่ยมาสืกตําบีแล้วและคําถามหนที่ถามอยู่ถามคนจํานวนมากอยู่เป็นประจำว่าทําไมถึงปวตายและคําตอบหนที่เกิดขึ้ออนอยู่บ่อยๆคือกลัวตายแลจะไปไม่ดีไปอามไรทําไมอ่เพราะไม่มั่นใจในชีวิตในการในความดีที่ผ่านมนาะการทําความดีนี่นนะและไปทําช่วยเนี่ยมันเป็นวิธีการหนึ่งที่ทําให้เราเนี่ย มีความมั่นใจเมื่อความตายมาถึงผู้เจ้าเนี่ยสายเรืนอพระพธิสัตว์นะก็พธิสัตว์คือหมายถึงว่าคือผู้ที่จะเป็นผู้เจ้าในอนาคตก็หมายความผู้เจ้าในอิดาชาตินี่นะตอนนี้พรมการบุตรชนอยู่เนี่ยเป็นพระพธิสัตว์เป็นพระโพธิสัตว์ในชาติปางหนึ่งเนี่ยกล่าวว่าเราไม่เราไม่เคยทำชั่วนในที่ใดเลย ยิ่งไม่กลัวความตายที่จะมาถึงถ้าเราไม่ทําชั่วนะการที่เราจะกลัวตายเนี่ยมันก็จะน้อยลงแล้วถ้าเราทําความดีเนี่ยก็ยิ่งมั่นใจนพระบุตรสัตว์กล่าวไว้อีกที่หนึ่งว่าเมื่อตั้งมันม่นในธรรมจะไม่กลัวปารโลกปารโลกคือโลกหน้าคนเราจะไปโลกหน้าได้ไม่ต้องผ่านความตายและคนกลัวปารโลกกลัววมันจะเป็นตบายแต่ถ้าเราทําความดีไม่ทาชั่วเนี่นะ เราจะปวตายน้อยหงอย่างที่ตันบอกหลายคนเนี่ยัตวตายจำที่เรือนกะระเสิร์ระเสิร์พู่ที่มีชีวิตยอยู่ผพ้่ที่พยายามขอให้หมอยื้อชีวิตทุกอย่างนี่ยเพราะเขาลูสัวชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยเขาได้ทำความชั่วเขาได้ทำหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาทูอเ จ, อจียัจ มีคนหนึ่งนะ่าจะเป็นแ ก, แก่เป็นมะเร็งปอดนะแล้วก็หมอพยาบาลก็อธิบายนะว่ามะเร็งของเขาเนี่ยนะมันรักษาไม่ได้แต่เขาก็ไปยอมรับเขาพยายามที่จะขอร้องให้หมอเนี่ยช่วยเปลี่ยนปอดเขาหมอก็อธิบายว่าเปลี่ยนไม่ได้อาการเขาเนี่ยแค่จะผ่าแค่ถ้าผ่าตัดเนี่ยก็ตายนะ้ะ แต่เขาก็พยายามพยายามลบเล่าหมอหมอไม่อยากคุยกับเขาเขาก็ลบเล่าพยาบาลว่าช่วยเปลี่ยนปอล้ว้เขาหน่อยใครมาเยี่ยมเขาก็จะพูดเนี่ยเรื่องนี้จิตอาสามาเยี่ยมก็จะพูดขอร้องคนก็พยายามอธิบายว่ามันเป็นแบบไม่ได้มันไม่มีทางแต่เขาไม่ยอมรับ หมอรละพยาบาลนี่ก็ระอาคนไข้คนนี้มาว่าพูดเท่าไหร่ไม่ฟังยังมีความหวังลงลงแรงะแต่สิ่งที่หมอและพยาบาลไม่เข้าใจเนี่ยก็คือว่าคนคนนี้เนี่ยก็อยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่อยากจะมีโอกาสได้ทํำอะไรอยากทีมีโอกาสที่เริ่มต้นชีวิตใหม่เพราะว่าชีวิตที่ผ่านมาเขาเนี่ยมันมันมีชีวิตที่ย่าแย่ถ้าพูดภาษาชาวบ้านเนชีวิตปัสสาวะเป็นชีวิตที่ทําความทําสิ่งเลวร้ายทําสิ่งที่รู้สึก ต้องรู้สึกผิด ม, มากเลยเขาอยากจะเริ่มต้นใหม่อยากจะแก้ตัวใหม่เขายัางไม่อยากตายไม่ใช่เพราะว่ากลัวตายจริงๆแต่เขาเขาอยากจะแก้ตัวใหม่แล้วก็าคิดว่าการที่เขาถ้าผ่าตัดเปลี่ยนปอดเขาแม้เขาจะมีชีวิตรอดแล้วเขาจะได้มีโอกาสแก้ตัวสิ่งสำคัญเนีไม่ได้ที่ว่าเปลี่ยนปอดได้หรือไม่แต่สิ่งที่มาอยู่ที่ว่าเขา อ, อยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่เพราะเขาสึกแยกกับชีวิตที่ผ่านมา สิ่งที่ช่วยเขาได้คือช่วยทำให้เขารู้สึกดีกับชีวิตที่านมาให้ก็ามองเห็นว่าชีวิตที่ผ่านมาเขาเนี่ยนะมันแย่ก็จริงแต่มันเป็นสิ่ดีๆที่เขาเคยทําและในเด็กการก็เปิดโอกาสให้ได้ทําความดีในขณะที่เจ็บป่วยเช่นได้ทําบุญได้ทำกุศลนะเาก็ได้มีโอกาสได้ทําความดีในวันสุดท้ายเนี่ยแล้วเขาสุดภูมิใจกชีวิตของเขาแล้วโออเนี่ยถึงหน้ฉันใกล้ตายแต่ฉันได้ทําความดีมา ตอนพร้อมตายเลยไอ้เรื่องปอดเป็นปอดใหม่นี่มันกลายเป็นเรื่องเล็กน้อนไยไปเลยได้เปียนก็ได้เพอพร้อมจะตายแล้วพราะมจะตายแล้วเพราะได้ทําความดีได้มั่นใจกับชีวิตที่ผ่านมาแล้วนะเพราะเรนะ่อรรงเนี้ยนะการทําความดีการหลีกหนีความชั่วเนี้ยมันเป็นมันเป็นมันเป็นหลักประกันพื้นฐานเลยนะในการที่ทําให้เราเนี้ยกล้าเผชิญหน้าความตายกล้าสู้หน้าความตาย แต่ว่าจงิงๆแล้วท่านนั้นยังไม่พอนะสิ่งนี้ทำให้คนไม่กล้าไม่อยอมรับความตายหรือไม่พร้อมจะตายเพราะว่ายังมีความยึดติดยังมีความห่วงยังมีความหวงห่วงซักเอาห่วงซักห่วงลูกห่วงพ่อแม่หลายคนทำความดีแต่ยังไม่ยังไม่ยังไม่พร้อมตาย ยังกลัวความตายพ่อก็ยังทำใจไม่ได้กับลูกกับพ่อแม่คนรักลูกยังเล็กแม่ยังป่วยนะถ้ายังมีความยึดติดถือมามากๆเท่าไหร่เนี่ยจะไม่พร้อมตายจะพยายามต่อสู้ขัดขืนความตายนะบางทีอาจจะไม่ใช่ห่วง ห่วงรั์อาจจะไม่ใช่ห่วงลูกแต่จะห่วงงานก็ได้มีคุณลุงคนหนึ่งเนี่ยเป็นคนที่ธรรมะธรรมโมมากแต่แกเป็นคนที่จิตใจดีนะเป็นเจ้าพิจารารชวนคนเนี่ยไปทอดพระปาทอดกระถินตามวัดชนบุมดเพื่อสร้างโบสถ์สร้างวิหารในวัดที่มันในเขตธุระันดาง แกก็ทำพี่มาเป็นสิบยี่สบปีแล้วแล้วจริงๆพแบบกแบบป่วยเป็นมะเร็งแล้วมะเร็งก็ลูกหลามากจนทัานแกอยู่ในรวาสุดท้ายเพราะสุดท้ายเนี่ยแกเริ่มไม่ค่อยรู้ตัวแล้วนะแกแกเกอยูในการกระสับกระสานลูกหลานเนี่ยก็คิดว่าแกเป็นคนธรรมธรรมโมถ้าได้ฟังเทพธรรมะพระสวดมนต์เนี่ย ก็จะดีขึ้นเปิดเทศธรรมะเปิดพระสมตรไมพ่ายให้ฟังเพืแกก็ยังกระสับกระาอยู่ลูกหลานก็ไม่เข้าใจเป็นเพราะอะไรไม่นานนะเพื่อนสนิทก็มามาเยี่ยมพอรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับคนป่วยกับคบุณลุงคนนี้เนี่ยแกก็ไปที่ข้างเตียงแล้วไปพูดต่บอกว่าโบทถที่ยังสร้างไม่เสร็จนะไม่ต้องห่วงนะคนเราจะช่วยกันสร้างให้เสร็จ พอพูดเท่านี้ในแกหยุดเลยนะแกนิ่งเลยแปลว่าอะไรเพราพูดนี้มันโดนใจแกแต่สัญาิว่าแกมีความห่วงมีความกังวลโบดหลังหนึ่งนะสร้างมาหลายปีไม่เสร็จสักทีนะแล้วแกแกก็วางวางเรื่องนี้ไม่ได้จะต้องการสร้างให้เสร็จแกก็เลยพยายต่อสู้กับความตายแกไม่สามารถจะวางเรื่องนี้ได้ การสร้างโบทนี่นะเป็นบสมหาบุญสนนะแต่ถึงเวลาต้องจักวาง น, นะเพราะถ้าไม่วางเนี่ยนะแม้กระทั่งความดีเนี่ยก็สามารถจะกลับมาทำร้ายเราได้ความดีถ้ายังยึดติดถือมนันนี่ก็อาจจะเป็นโทษนะเดยเยวพะในเวลาใกล้าตายเนี่ยนะแม้วางงารที่ยังคาอยู่ มันจะดีแค่ไหนเป็นผู้สเพีงิงใดถึงเมื่อไรต้องตายก็ต้องวางเพราะถ้าไมวางนี่นะยังยึดติดถือมันมันจะไม่อยอมรับความตามจะสู้จ ะ, จะสู้ออกัความตาและทําให้ทุกข์ทรมานมากจิตที่ไม่ยอมรับจะเป็นจิตที่ทุกข์มากนะความทุกข์ในความทุกข์คนเราเนี่ยความทุกข์ใจเกิดจากจิตที่มันไม่ยอมจิตที่มันดิ้นดิ้นมีสองอยางในดิ้นที่จะเอา กับยิที่ยังผักใสแถ้าถ้าจิตเนี่ยมันยังมันยังรีดมันจะเอาเนี่ยมันจะต่อสู้ความตายตอเมื่อปล่อยต่อเมื่อวางจิตก็จะเบาและพร้อมยอรับความตาย แล้จาการทําความดีกัรไม่ทำชั่วแล้วเนี่ยการรู้จักปล่อยวางปล่อยวางไม่ใช่เฉพาะคนรักไม่ใช่เฉพาะทรัพสมบัติไม่ใช่เฉพาะงานการรู้สิ่งที่เรารักสิ่งที่เราโงแหาเท่านั้นนะสิ่งที่เราไม่รักสิ่งที่ทําความดีกับเราต้องปล่อยนะคนเรายึดเนี่ยเราไม่ได้ยึดเฉพาะสิ่งที่เรารักสิ่งที่ให้ความสุขกับเราสิ่งที่ทําความดีกับเราเราก็ยึดก็แปลงนะ แต่สิ่งที่ให้ความสุขกัเรายึนี่พอเข้าใจนะพอมีเหตุผล น, นะเช่นทรัพย์สมบัติบ้านที่ดินรถชื่อเสียงพ่อแม่ลูกเรารักสัตว์เลี้ยงแต่สิ่งที่ไม่รักสิ่งที่ทำความทุกข์กับเราเราก็กลับยึดนะเช่นอะไรความโกรธความเลี่ยนความสุดผิดความกรดเกิดขึ้นทีไรนะโกมันรุ่มร้อนในชะ่แต่ไม่กล่อยไม่หวานนะโกรธใครเนี่ยนะ ไม่ค่อยวาง น, นะเกลียดใครนี่นะจนถึงเข้าอยู่เรื่อยรีเพลย์อยู่เรื่อยนะรีเพลย์ตอนที่เาเชิญหน้ากันตอนที่ดาเนี่ยนะรีเพลย์น่าอะไรในหัวความเศร้าความสูญเสียความทุกข์ความสุกผิดรู้สึกผิดที่เคยทําไม่ดีกับพ่อแม่เคยขึ้นเสียงตะวัตท่านเพราะว่าท่านชอบอับสุบดีหรือว่าโวย เพราะโรคหวัวใจเบาหวานก็ยังแอบกินของหวานกินไอติมกินน้ำอัดลมข้าเหนียวทุเรียนอะไรตลาย่างนี่ยนะจับได้ค่าหนังคาเขาก็ยังปฏิเสธนะลูกรักมากเลยว่าแม่ว่าอยากตายหรือไงไม่ยอนะทำไมยังกินอยู่เสร็จแล้วกนั่งเสียใจรีเพลย์อะไ่นะพาไปสิทธิ์ที่จรีเพลยนะถิว่าจะตายก็ยังนึกต้องวาง น, นะฮะต้องหวาง วางและถ้าเราวังได้เนี่ยการตา ย, ยสงบจะเกิดขึ้นได้แต่ถ้าวางไม่ได้เนี่ยมันจะทุรนทุรายบางคนมีคนหนึ่งนะแกเป็นหัวหนา้าพยาบาลแกเป็นมะเร็งปอดแล้วตอนระยสุดท้ายเนี่ยนะอาการใจแย่หมือละเอาเวลาทุกอย่างที่แย่หมือนล ะ, นนละสัญญาณชี้นี่มันแย่แต่แกไม่อยอมตายตายแกก็เปิดเบอร์ ตาเบิกโงเงี่ยนะคนที่ไมริกาแบบนี้คือคนที่ยั ง, ยงไม่อยอมรับความตายและทรมานมากมา mm hmm. จนกระทั่งรุ่มน้องเ น, นี่ยมาหา mm hmm. เป็นรุ่นน้องเพียบบางเธอก็ลงลงกำลังเนี่ยพูดขอโทษที่เคยทำไม่ดี เคยด่าว่าเธอแต่ว่าลูกน้องเพราะไปเข้าใจผิดว่าเธอเป็นที่กษามีตอนนี้รู้ความจริงแล้วแกจะขอโทษลู่น้องคนนั้นเนี่ยก็บอกว่าหนูไม่โกรธพี่หนูเข้าใจพี่หนูให้อภัยพี่พอแกรี่เนี่ยแกก็สบายใจเว่ามื่อผูู้เขาจากอกเลยนะ้วเธอก็หลับตาแล้ววันนั้นเธอก็ไป ถ้าคนหลาคนนี้ยไม่อยอมตายหลายคนอยอยยคนี่พยต่อสว้หรือความตายเพราะมันยัมีความยึดติดรู้สึกผิดซึ่งโชคดีที่เธอยังมีโอกาสได้ปล่อยวางความสึกผิดนั้นหลังจากที่ได้ขอโทษขออภัยแต่ถ้าเกิดว่าลูกน้องคนนั้นไม่มาเนี่ยเธออาจจะตายไม่สงบแต่ว่าถ้าเราจากปล่อยจับวางบ้างมันก็สามารถจะตายสงบได้น<ม>คนเราเนี่ยนะ ความตายเป็นเรื่องทุกข์ทรมาะเราไม่อยากรับความตายเพราะเรายังปล่อยวางไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เรารักหัวหน้าหรือสิ่งที่เราไม่รักสิ่งที่มันทิ่มแทงจิตใจ่นความโกรธความเกลียดความเศร้าความสิ้ขีดต้องปล่อยนะฮะและไม่ใช่ไปรอปล่อยไม่ใช่ไปรอปล่อยตอนนั้นมันต้องฝึกตั้งแต่ตอนนี้ไม่ใช่ทาความดีรักษาสย่างนี้ต้องรู้จักปล่อยรู้จักวางด้วยอาจจะเริ่มจากปล่อยกับวางกับ ของที่เรารักมันหายไปก็ปล่อยวางบ้างเงินงหายไปก็ปล่อยวางโทรศัพท์หายว่าก็ปล่อยวางวป่อบ้างใครพูดอะไรทิ่มแทงใจก็ปล่อยวางบ้างขึ้นเฟซบุ๊กแล้วก็ไม่กดไม่กดไลค์ให้น่วยอย่าไปอย่าไปคิดมากปล่อยวางบ้างไม่ใช่ไปตามบอยเพื่อนกดไลค์ให้หน่อยส่งไปทางไลน์ช่วยกดไลค์ให้หน่อย เวลาจัดเซลฟี่เนี่ยไม่ต้องไปพิธีพิถัมมากเลยต้องถ่ายรูปมาสองสามรูปเอารูปเดียวที่มันสวยที่สุดนะรูปที่มันไม่สวยมาเอาขึ้นมาก็ได้ไม่เป็นไรใช่ไห ม, ไหมเพราะว่าถ้าแค่นี้นะยังวางไม่ได้โอ้โหถึงเลยตายจะวางได้ยังไงใช่ไหมแต่สมัยนี้ยึดติดถือมากมากเลยนะเซลฟี่ก็บอกเยอะวว่าตัว ต, วตวนนีไอตัวเราของเรานีา่ปล่อยวางบ้าง ถึงวเวลาตายเนี่ยมันจะง่ายแจะยอมรับความตายได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะการทําความดีไม่ทาความช่วยและการฝึกจิตปล่อยวางและสิ่งนี้ที่ช่วยเราให้เรากล้าเผชิญความตายได้นะก็คือการเจริญรอนัศสติเสมอเจริญรอนัศสติทุกวันทุกวันทุกวันก่อนนอนเนี่ยก็ลองพิจารณาว่าเออเราถ้าเกิดขึ้นที่เราตายเราพร้อมไหม การเจอรมร้อนร้อนสติเนี่ยมันมีสองอย่างนะหนึ่งเราลึกหรือตระหนักว่าเราต้องตายอย่างแน่นอนตายแน่แต่ในความแน่นอนนั้นก็มันก็มีความไม่แน่นอนสฉวคือไม่รู้จะตายเมื่อไร่ความตายเกิดขึ้นแน่นอนแต่ไม่รู้จะตายเมื่อไหรอยาวาไปเชื่อหนุ่มสาวเนี่ยจะตายอีกห้าสิบปีข้างหน้า บานทีอาจะตายวันที่วันพุ่งก็ได้แต่นี้คือความจริงที่ไม่มีที่เราไม่ที่เราไม่ ร, มรู้คือมั น, นไม่แน่นอนสองในเมื่อเราไม่รู้จะตายเมื่อไหร่แต่ถ้าเกิดมันจะตายวันที่วันพุ่งเราพร้อมไอันนี้คือข้อประเภทส่วนที่สองนะของการเจอรมนรัสติพร้อมไหมทําความดีควาพอหรือยังทําหน้าที่มาสําเร็จเสร็จสิ้นหรือยัง และพร้อมจะปล่อยวางทุกสิ่งหรือเปล่าเจอเรามาทัศนทุกคืนเป็นจุดเริ่มต้นว่าเนี่ยคืนนี้ถ้าเกิดแล้วว่าเราจะตายเราจะได้ไม่เราจะไม่ตื่นขึ้นมาพบหน้าลูกพบหน้าสามีพบหน้าภรรยาพบหน้าพ่อแม่เราพร้อมเราได้ทําอะไรให้กับท่านมาเกเพียงพอหรือยังเราได้ดูแลให้เวลากับลูกให้เวลากับคนรักมา พอแล้วหรื อ, อยังและเรื่อคือพร้อจะปล่อยวาง น, นะก็ตอนที่ไอ้เสมอเราเจอมาแล้วสติเราเชื่อถ่าตีต้องไปยคืนนี้เนี่ยนึกนถึงหน้าลูกนึกถึงหน้าคนรักนึกถึงหน้าพ่อแม่นึกถึงงานการเราพิจารณาดูว่าเนี่ยเราพร้อจะปล่อยวางมันได้ไหม <c oughs> ถ้าปล่อยวางไม่ได้แสดงว่าเรายังต้องเรายังต้องคือ เพื่อที่จะปล่อยวางให้ได้ถ้ายังมีอะไรค้างคาอยู่ก็ต้องรีบทำรีบจาดการถ้าวันลุ่ขึ้นไม่ตายอ่ะเราก็ยาผลายจัดการสาสารหรือว่าทำหน้าที่การเจอรมอนสัสติเนี่ยมันจะเป็นการฝึกให้เราพร้อมเผชิบความตายมากขึ้นพร้อมในแง่ที่วันหนึ่ง เมื่อเราลดถึงความไปเสมอเนี่ยเราจะเริ่มคุ้นจริงกับความตายมากขึ้นถึงเรามันเกิดขึ้นเราก็จะไม่ถึงตับตกใจเหมือนกับว่าเราต้องไปพูดในที่ชุมชนคนเป็นคนเป็นหมื่นเราจะมีความมั่นใจได้อย่างไรเราจะมีความเราจะหายประมาทได้อย่างไรเราก็ต้องเริ่มต้นจากการไปฝึกซ้อมพูดหน้ากระจก แน่นอนพูดหน้ากระจกกับการพูดต่อหน้าคนจริงๆเป็นหมือนเนี่ยมันต่างกันเยอะแต่ว่ามันดีกว่าไม่ทําพูดหน้ากระจกเสร็จอ่าก็เริ่มพูดต่อหน้าคนสิบคนนะหน้าคนยี่สิบคนคนที่เป็นนักพูดเนี่ยนะแม้กระทั่งโอบามาเนี่ยเขาไม่ใช่พูดสนนะฮะเวลาพูดในวิ ธ, ธีสรารบัญทนเวลาพูดในในงานสําคัญสําคัญเนี่ยนะเขาซ้อมมาทั้งนั้น เขาไม่ซ้อมพูดหน้ากระจกอยู่นะเขาซ้อมพูดต่อหน้าที่ปรึกษา 5-10 คนแล้วก็ฟังเสียงสะท้อนแล้วก็ถึงไปพูดต่อหน้าคนและวพูดต่อหน้าที่ชุมชนก็ยัต้องมีเทลเลรอมเตอร์เนี่ยมีข้อความอข้างหน้าตรงเวทีเพื่อที่จะรื้รั้วพูดกันรขนาเป็นนักพูดที่เก่ง น, นะก็ยังต้องซ้อมเลยแล้วก็จะผ่านมาหลายเวทีแต่ความตายเนี่ยเราทุกคนเนี่ยตายครั้งเดียวเราทุกคนไม่เคยตาย แล้วทําไมเราไม่ซ้อมทำไมเราไม่ซ้อมต้องซ้อมนะซ้อมอยู่เรื่อยๆซ้อมก่อนนอนทุกคืนซ้อมเวลาเราเดินทางเดินทางไม่ว่าขึ้นรถลงเรือนั่งเครื่องบินลองพิจารณามันอาจจะเกิดอุบัติเหตุนะถ้าเกิดเกิดอุบัติเหตุรถคว่ำตกคูเครื่องบินระเบิด หรือว่าหมองโลกเราจะทําใจอย่างไรเราจะนึกถึงอะไรและลองสแกนเนาะว่าเมื่อเรานึกถึงพ่อนึกถึงลูกนึกถึงอะไรเนะี่ยเรามีจิตใจที่หวั่นไหวไหมต่อพร้อมปล่อยวางหรือเปล่าถ้าจิตใจยังหวั่นไหวไม่เป็นไรมันแสดงว่าเรายังมีการบ้างที่ต้องไปฝึกฝึกก็คือหนึ่งทํำดีค่อยมากๆเราจะได้ปล่อยวางไดง่ายสองที่จะปล่ อ, กอยอกับจะวางทาที่ใจ ทำกิจและทำจิตทำกิจคือทำความดีเขาทำหน้าที่ที่ควรมีต่อเขาให้ดีที่สุดและทำทำทำจิตก็คือปล่อยวางสองอย่างต้งคู่กันนะทำกิจและทำจิตซึ่งเราจะรู้ว่าควรจะทำกิจและทำจิตยังไงก็จากการที่เราได้ซ่อมใจบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นการก่อนนอนก็่วจะเป็นเวลาเราขึ้นรถลงเรือนัน่งเครื่องบินเดินทาง แล้วถ้าเวลาเราอ่านอ่านข่าวไม่ว่าทางหนังสือทั้งสือินโทรทัศน์โซเชียลมีเดียเวลาเกิดอปปุติเหตุข่าวอุติเหตุเนี่ยลองคิดมาว่าถ้ามันเกิดขึ้นกับเราเราพร้อมเราทำใจได้ไ้มใค้สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องเตือนใจให้เราเนี่ยไม่ประมาทฝึกฝนเตรียมตัวเตรียมใจนี่เป็นเรื่องการเจริญมนักสติ น้สูงเนี่ยนะการที่เราฝึกเตรียมตัวเตรียมใจได้เนี่ยถึงทำความดีเราเป็นความชั่วสอมยามฝึกจิตปล่อยวางเสมอนะแต่ปล่อยวางในที่นี้เนี่ยหมายถึงว่าไม่ใช่ปล่อยปะล่าเรเลยนะปล่อยวางคือว่าเวลาเรามีเกิดความโกรธแล้วก็ปล่อยวางความโกรธแต่เวลาเรามีกิดวความฝุดจิตเราปล่อยวางได้เวลาของทายเงินหายอา้าวเราก็วางมันได้เวลางานล้มเหลวผิดพลาดอาไม่เป็นไรเริ่มต้นใหม่ ต่อไปเราจะเริ่มปล่อยวางสิ่ที่ยา ก, ยา ก, ก้แล้วก็สามจเจริญนอนสัติสมอไม่ใช่เฉพาะก่อนนอนเวลาดูข่าวอ่านข่าวได้ฟังเรื่องราวของคนที่เขสูญเสียแล้วก็พร้อมจะปล่อยพร้อมที่จะมาตื่นใจเรานี่ถ้าเกิดว่าเราเราทำนี้ได้ทำไปปล่อยเนี่ยถึงเวลา เราตายเราก็พร้อมรับความตายมีผู้หญิงคนหนึ่งนะเธอทุกเชา้าเธอถือมามาตีห้า<ม>เพื่อที่จะไปทำงานกรุงเทพเนี่ยเดี๋ยวนี้ต้องตื่นตื่นเช้าๆัม่็รถติดตื่นเช้าชีวิรายก็จะเห็นแม่กับยายอยู่ในครัวเพื่อทำอาหารใส่บาก ทันวี้ทุกวันไม่มีขาดไม่มีเสาวัอาทิตนะใส่บาทุกวันแต่เธอไม่ค่อยได้ใส่หรอกเพราะเธอต้องยื่ไปทำงานวันหนึ่งตื่นขึ้นมาก็เห็นแตนแม่ไม่เห็นยางเธอก็เลยไปเลียกยาย ท, ที่ที่ห้องที่น้าห้องยายวันนี้ไม่ใส่บาตรเลยตัวมีเสซ็นยายเตาบอว่าไม่ใส่วันนี้จะขอสวดมนต์นั่งสมาธิเธอก็ไม่เฉยใจและเธอก็ถามต่อไปว่ายาจะเอาอะไรไหม เดี๋ยวกลับมาจะซื้อมาฝากยายก็ตอบว่าไม่เอาอะไรนะเธอก็ไปทำงานตอนสายเนี่ยยายก็ไม่ออกจากห้องไม่มากินข้าแม่คนเล่าซึ่งเป็นลูกของยา ย, ยก็เลยไปเรีอกที่หน้าห้องไม่มีเสียงตอบเปิดประตูก็ไปก็เห็นแม่ของตัวเนี่ยรุ่งขามขาวนั่งพิงเสาข้างหน้าก็มีร่องรอยจุดทูกเทียน เรียกไม่ตอบก็เลยที่ว่าคงหลับก็เลยจับตัวหมายจะขยา่าปลุกให้ตื่นเพราะก็ว่าพอจับตัวเท่านั้นนะล่างของยายนี่ก็เป็นนอนกองอยู่กับพื้นแปลว่า่ะหมดลมนะตายในท่านั่งนั่งสมาธิคํำถามคือยายรู้ไหมว่าวันนั้นคือวันสุดท้ายของยายเชื mm hmm. ่อเรารู้นหะม mm hmm. เพื่อทนรูรู้นะเพราะไม่งั้นยายจต้องใส่บาตรแล้วแต่ยายรู้ยาวน่ต้องต่าง คำถามคุณยายรู้ว่าต้องตายทําไมไม่บอกลู ก, กหลานหลายคนเนี่ยเวลาตายก็อยากจะให้มีคนลูกหลานอยู่ใกล้ๆมาอยู่ข้างเตียงมาอยากจะบอกเพื่อจะสั่งเสียแต่ทําไมยายไม่บอกใครเลยยายไปคนเดีย ว, พวเพราะผมเป็นพ่อยายเนี่ยอะไรที่ควรทาอะไรที่ควรบอกอะไรที่ควรสั่งเสียลูก ห, าหลานทำหมดแล้วเมื่อทำหมดแล้วเนี่ยก็ก็พร้อมตายคนเดียว การที่ยายตายแบบนี้ได้เนี่ยนะมันหมายความว่ายายนี่นะจะต้องนะทำความดีนะไม่ทำความชั่วแล้วสุดจิตปล่อยวางเสมอถึงเวลาจะตายก็พร้อมตายลูกหลานสาวเนี่ยมาได้ยินมารั่วยายตายก็ตอนใสสา ย, สายก็นึกย้อนทบทวนไปนะก็ไปไปสะดุดตรงที่ ถามยายว่ายายเอาอะไรมายายต่อไม่เอาอะไรแล้วเพราะแม่ไม่เอาอะไรแล้วเนี่ยผมไม่ได้ลราไม่ต้องเสื้ อ, อมาฝากนะอยายบอกว่าฉันปล่อยวางนะการตายของยาเป็นการตายที่งดงามไม่ต่างจากการตายของแม่ชีใหญ่หลวงธรรมสัม ต, ตายงดงามเพราะอะไรนะเพราะยอมรับาความตายเป็นธรรมดาแล้วก็ได้เตรียมตัวตายมา มาโดยตลอดถึงเราจะตายนะก็ตายสิเพราะนั้นนี่ก็ก็อยากจะฝากไว้นะว่ า, าการเตรียมตัวเตรียมใจเพื่อเผชิญหน้าความตายเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำได้เป็นสิ่งที่เราทุกคนทำได้นะทำความดนะีเราเป็นความชั่ว ไม่มีอะไรที่ต้องทําให้สุดผิดติดทางใจแต่ถึงมีซึ่งเป็นธรรมดาก็ปล่อยวางได้สุดจิตปล่อยวางเสมออันนี้คือสิ่งที่พระเจ้าสอนนะสอนเนี่ยเวลาคนใกล้ตายตาพระเจ้าจะให้หให้เขาระลึกถึงพระรัตนตรัยและให้เขารู้ถึงความดีที่ได้ทําสันใช้คำว่าอริยาการตัศน์เนี่ยคือศีลที่พระอิจ้าจสอนเลยและเจริญคุณต้องการก็จะบอกว่าให้เขาปล่อยวางปล่อยวางรู้ ปวางทรัพย์สินสัตว์เลี้ยงนะสมัยก่อนทรสัตว์เลี้ยงเป็นทรัพย์สินที่มีค่าลูกสามีภรรยาพ่อแม่ป่อาแม้กระทั่งสวรรค์มันะจะไปสวรรค์ชั้นไหนก็ไม่้สนใจนะและจะตายดีอนนาจารย์พุทธาบอกว่าฉันจะนก็วากระดาษควาโแล้วเขาถ้าจะตายเนี่ยนะก็พร้อมจะปล่อยวางทุกอยาก่างไม่ไม่หนหน้าโผงหลัง แต่ทางด้านั้นาต้องฝึกฝึกใจอยู่เสมอฝึกการปล่อยวางอันนี้ก็เป็นเป็นคร่าวๆนะว่าเราจะฝึกใจอย่างไรในการเตรียมตัวเตรียมใจแต่ว่าอันนึ่งที่จะช่วยได้นะสำหรับการปล่อยวาง น, นะสำหรับคนทั่วไปอย่างเราเนี่ยนะอยปางผูชมเนี่ยนะ การทำพิณายกรรมเนี่ยช่วยได้มากเลยหลายคนเนี่ยนะหลายคนเนี่ยตายไม่ได้เพราะว่าวไม่ได้ทำพิณายกรรมอย่าคุณลุงคนหนึ่งนะแกเป็นไตาวายแกก็ร่างตายมาเป็นเกือบสิบปีแล้วแลแ้วแกก็ร้องคงร้างตายได้ไม่กี่ไม่กี่ปีแกก็เรียกลูกบอกให้ไปเลี้ยงธ น, นานความมะแกให้ธนายความมาทำพิณากรมารมให่ลูกนี้ก็ดีนะแคนที่จะดีใจที่แต่ได้พิณายกรรมนะลูกกลับ แก้งทำเป็นลืมก็เห็นว่ามันเป็นถ้าทำทีนกรรมแสดงว่ามันแค่เป็นอมันเป็นรางร้ายรูปเด็เข้าใจนะว่าเนี่ยถ้าก็ทําีนัยกรรมเป็นลางล้ายแก้งันเป็นลืมก็ไม่ได้ทำที น, นักรรประมาณสองสามที่ต่อมาเนียพอไปล้างไตบอกบว่าท็อกนะเส้ยันสมองแตกก็ปั้มมาอยู่สองวันไม่สําเร็จตาย ตอนที่แกตายเนี่ยแกน่าดีพี่ขโมยนะน่าดีพี่ขโมยอาการมีแสงก็ยังมีความห่วงกังวลสันนิษฐานว่ายังห่วงเรื่องพี่นายกรรมแต่คนที่มีความห่วงเนี่ยนะส่วนนึ่งก็เกิดจเรื่องพี่นายกรรมทาให้เสียเพราะนั้นเนี่ยมันจะช่วยเราได้เยอะอตมาพบว่าเนี่ยเวลาอตมาโอภารปชิมว่าตายสงบนะมันจะมีช่วงหนึ่งนะให้ทําพี่นายกรรม แล้วน่นค่อยเจริญรอดและสติซ้อมตายมันก็ตายอยู่จริงหลายคนบอกว่าเนี่ยมันพร้อมตายคือนัทไทตายเนี่ยก็พร้อมเหตุผล ก, ก็คือว่าได้ทําพินัยกรรมเรียอสบายใจมันเทาใจลและพินัยกรรมเนี่ยนะจริงๆแล้วเนี่ย ถาใดีเนี่ยถ้ามันมีอย่างที่จะต้องใส่ใจคือส่วนยอดพินกรรมชีวิตพินัยกรมชีิตอันนี้เนี่ยนะหมายความว่าพี่ัยการมส่วนใหญ่เนี่ยเขาเอาไว้ใช้มีผลเมื่อตายแล้วเช่นแบง่งทรัพย์สมบัติยังไงจัดงานศพที่ไหนอย่างไรร่างจะเอาไปทําอะไรแต่พี่ในการมชีพินี่มันหมายความว่าเป็นพี่ัยกรรมที่ใช้ขณะที่ยังไม่ตายแต่ที่ยังมีชีวิตอยู่ความหมายคือว่า เป็นคำสั่งเสียเกี่ยวกับการรักษาว่าขณะที่ถ้าหกว่าฉันไม่รู้สึกตัวแล้วไม่สามารถตัดสินใจได้อะไรที่ควรทาอะไรที่ไม่ควรทําเช่นไม่ต้องยื้อชีวิตนะไม่ต้องเจาะค อ, อไม่ต้องใส่ท่อไม่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจไม่ต้องผาอยาพาตัดใหญ่อย่างหพ่อตะมาหรือหลวงพ่อมังเนี่ยตอนที่ท่านรู้ว่าท่านเป็นมะเร็งขั้งที่สองเนี่ย ที่ต่อน้ําเลือเนี่ยท่านก็ทําพินัยกรรมไปเลยนะพินัยกรรมส่วนก็เป็นว่าถ้าตายแล้วจะให้ทําอะไรบ้างเช่นให้ทําศพภายในะไม่เกินสิบวันไม่ต้องมีพิธีพระราชทานเพินโศกไม่ต้องมีการทอดผ้าบำสุขุนเดี๋ยวนี้มันเฟนะิร์สแล้วแต่ท่านก็บอกเนี่ยถ้าท่านปนะ่วยและไม่สามารถตัดสินใจได้นะไม่ต้องทำสามอย่างไม่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจไม่ต้องไม่ต้องปั้มหัวใจ ถ้าเกิดว่าใจดเด่นไม่ต้องปัมไม่ต้องผ่าตัดยาแล้วก็พาท่านไปใช้ชีวิตท้ายที่วันไม่ต้องไปเข้าโรงพยาบาลไม่ต้องไปยืออย่างที่เราได้เห็นครูบาอาจารย์เถรเยรอาจารย์หลายท่านนะตายในสภาพที่เต็มไปด้วยท่อเรีงยงเอียาหลายคนก็ทําเรียสบายใจ ถึงเวลาจะถึงเวลาจะโคม่าก็ไม่ธรมานเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นหนึ่งที่ที่อยากจะฝากไว้คนเรานี่ถ้ามันมีห่วงนะเดียว่าแต่ดย่ว่าแต่ตายตายแบบทุรนทุรายเลยบางทีเวลาผ่าตัดเนี่ยนะยานี่เอาไม่อยู่เลยเพื่อตามานี่เป็นนักธุรกิจใหญ่นะเป็นผู้หญิงจนปัญหาเรื่องหัวใจ ต้องผ่าตัดต้องเป็นควผ่าตัดใจด้วยรมยาไปแล้วนะนึกขึ้นมาได้ยังไม่ได้สั่งเสียลูกน้องเรื่องสำคัญมา ก, กบอกว่ายาเอาไม่อยู่นะไม่สงบไม่สงบนะเพราะเธอกังวลเพราะไม่รู้วาตายหรือเปล่าถ้าตายนะโอ้โหไม่ได้ฝากไม่ได้ฝากฝังบางอย่างไว้นี่ธุรกิจที่บ้านนี่คุณเห็นแย่ยน่น่ หลายร้อยล้านขอยื่มโทรศัพท์หมอสั่งเสียตรองนั่งเลยนะทำเตียงนะพอสั่งเสียเสร็จนะหลับเลยสลบไปเลยนี่คิดถ้าคนลา้านถ้ามันถ้ามันกังวลนะยาเ น, นี่ยก็เอาไม่อยู่นะแล้วคนอย่างนี้นะถ้าถ้าตายนีนะมันตายไม่สงบ น, นะมันจะสู้กับความตายเพราะนัถ้าปล่อยวางได้เออเพราะเราปล่อยวางได้เพราะเราได้ทากิจแล้วเช่นสั่งเสียนะ ทำที่ในกรรมมันช่วยทำให้เราอยอมรับกับทุกอย่างที่เกิดขึ้นได้เราก็พอสมควรกับเวลานละ้ก็พอวิตกเท่านี้ นาเนะี่จะมีเรือขายหลายองค์กรเนี่ยที่อาตมาเกี่ยวข้องเนี่ยจะจัดงานที่ศูนย์ศรษฐกิจนะชื่อว่าแฮปปี้เบิร์ตเดส่วนญาเราได้ยินเนี่ยก็แฮปปี้เบิร์ตเดย์ใช่ไห a p p y b i r t h d a ้เบิร์ตเดิบพฤษภุตุมนาเนีเสาร์อาทิตย์ก็แปลว่าเป็นงานที่เปิดกว้างใครสนใจเนี่ยคุณจะพาพาพอ่พอแม่ไปสัมผัสกับปรรยากาศ ที่ไม่าอาจจะไม่เข้มข้นนักนะแต่ว่ามีหลายแบบมีทั้งแบบเบาๆแล้วแบบเข้มข้นในงานเนี้ยก็เชิญได้